วัดของโลภูนี่เป็นวัดนี่ชื่อเสียงก้อนปิงจุดมีนมะี่ชื่อเสียงมาดนระล่ะหะินหมัดเป่งเนี่ยโดยสภาพของสถานที่ของบริเวณจะเป็นที่โด่งดังมาแต่เต่าแล้วนี่คือนี่เรื่องมีเล้าปรากฏมาแต่ก่อนแล้วสามที่เป็นเบาไวนะ้เบาไว้เป็นตำหนากของหินหมัเป่งหินหมัเป่งสามก่อน ยายอยู่ฟังอังนแนะนําของนาโบสถ์เท่านหน้าแต่ว่าลงไปในน้ำผลดอกเหลียวก็ม่าช้งสิเห็นก่อนแบบนี้ตั้งเฮียงกันยู่เห็นชัดเห็นเป็นสามก่อนเลยเพราะกับผลมีตํานานติดต่ อ, อกันมาว่าสามก่อนน่ที่มันของดีเศษของของเขาแ่ะก่อนข้างเนหนือนั่นไมายข้างว่าเนหนือน้ำ เป็นเครื่องไม้ของพระเจ้าคุงหลวงพระบางหลวงเต็ก่อนกลางนั่นเป็นของพระเจ้าคุง้งคุงเทพก่อนลุมนั่นนะเป็นพระเจ้าคุงเพียนฉันเป็นว่ากันเป็นจิเป็นผู้ใดเป็นเจ้าของหลวงจิตเตม่าบูลณะถอดย่ามถอดวางของขอยของเราหลวงจิตเตมาบูลันะให้มันฮวงมันเนื่องขึ้นหวงเต็มเน่ะ บริเวณนี่แหละบริเวณนี้นบบเส่ยนี่เราแอบนี่แหละจะเริ่มพื้นบริเ่ณพุงคืนทำฟุงงาเรืองค้นนี่มันมันหมายความว่าแต่ก่อนมันเป็นพกเป็นป้าตอนนี้เป็นหกเป็นป้าเป็นห้างมุงมิ้งไถ่ปุ้งมี้งไถ่ามาโดนเขาร้นเขา่เขาปุบงมี้ไถ่ามาไล่แบบผีมันจะมาอยู่ทอนนี้กว่านี้ผีกะมาอยู่ผีเผ็ดจมาอยู่ผีห้างจะมาอยู่ คืแน่วผีปลาแต่มาอยู่มันจะละแล้วก็บพวกสักตาว่าจริงพวกเสือกันี่อูหูกันมนี่มาอยู่นี่แต่กอนเป็นปลาสันเล็เกตายไงอยู่เป็นปลามีเสือมีหยางอยู่แล้วก็เป็นยุดที่แปลกประหลาดที่ดกยุทธนี่จะได้มันแม่แนํนงางผองนี่ไหลมากคันว่างมีในแม่นมองแค่ แคบซุดท้ายว่ามันแคบี่สุดเอีแคบซุดเนี่ยีอยู่ทางเหนือไปอีกนีแคบกว่านี้แต่ว่ามีแคบแคบสุดท้ายจากนี้เป็นกระเวกว่ากออกไปเมื่วางหนี่เห็นว่าเป็นเป็นแม่นขวดเป็นแม่นวังข้อข้อมันอย่ังละ่ะข้อลุมเนี่ยเป็นลักษณะมี่คือเสียงดงดังมาแต่เตาเป็นที่หู่จักมาแต่เตาอันเนี้ยที่นี่หลวงครูคือว่าอยู่มาเห็ดมาส่างเนี่ยค่ะ กเลยเส็นว่าจะเลื่อนขึ้นยุคนึงกตเป็นยุคกรุงเทพปกค้องหินมาเตงกรุงเทพปกค้องหินมาเตงแจะเลื่นย้อนกรุงเทพก็ไปกระบอแน่เนี่ย่อไปเลี่ยงกันอาจจะปกค้องอาจจเจริ่อนนย้อนเลี่ยงกันก็ไปล้มขวางปกค้องสิบดจัดแล้วทั้งเขาเขาบอกว่ายังั่น อันนี้เห็นความเป็ น, ม, นมานเขาเราเขาลืออ่อหลันว่าที่นี่เหนความดีต่างๆที่เป็นเหตุให้ปูให้คนมานหินบกเพีงมันนี่หลายอย่างเขามาเบิงว่ามันง่ามบางนึ่งมายืนเบงิกโฮโฮโฮงก็โอ้ง่ามเต็แฉไว้ม า, มาส่องมาต้มริ้วที่อพัดนันระการนึ่นนนงอัจฉริมาย้อนคุณธรรมของหลวงปูคนปฏิบัติธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติซอกเป็นที่ตะการตะวายขันวาย้างอื่นกับคนนี้บขเจียใจนี่ล่ะวายลูกคนกับย่งเขเจียใจฉันเมื่อวายมองคนดูมองคนเศรอดีใจในะเขากะมามากาบหลวงปู่แล้วก็ดีประการนึงก็เขาก็ไม่เห็นว่าวัดหลวงปู่เนี่ยเกตุงามเป็นระเบียบรเรียบร้อยอยังรักษา ร, ระเบียบวิญญยินบบเป่ง เขากลับมาเบิง้งฐานนะเพราะฉะนั้นเท่ามีส่วนใดเท่าสิซอยกันใดซอยเนะถันเขามาเบิ้องไกลให้เขาปิดบังโดยเฉพาะเรื่องว่าซ่วมเป็นยูของเท่าให้มันเรียบร้อยยูให้เรียบร้อยให้สะอาดสะอา้านเป็นระเบียบนี้แหละเป็นการรักษาือเสียงของหลงปู่ไว้รักษาเสียงของพิมพ์เสียงไว้ มันได้เข้าเกิดมาในยุคนี้คือร้ว่าเป็นสมรติของหินแักเด่งเด้เนี่ยอย่งเด่นมาอยู่น้ำกันกนะับนี้ส่วนรวมกันไปเรือ่องรักษาเนี่พราะกันรักษ า, กษาแตกไปไช่มากอะตอนรับก็บอกมันว่าไปโจมเขาขึ้นเพื่อนขึ้นซ้างหรอกเวบาจาปา่าใส่สูตรจารปา่าใส่เขาเป็นอะไรเน